ก็กราบถวายความเคารประหลวงพ่อแล้วก็ขอโอกายคณะสงฆ์ท่านจเจริญพร อ, อาที่ทำนักปฏิบัติอขอใช้คําว่านักปฏิบัติเน ะ, ะนั่งเอามือลงนั่งทําสบายยกมือสร้างแข็งวะฟังวันนี้ก็ประดีย๋ยวหลวงพ่อได้มีโอกาสได้มาคุย ยังเก็บคอไม่หายเลยพูดพระวันเนี่ยนะ <c oughs> พูดมากการพูดก็ใช้พลังใช้พลังเยอะนนะการพูดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาสังเกต ด, ดูเวลาขึ้นเขาขึ้นถ้ำเวลาพูดมันจะเหนื่อยเดินแทบไม่ไหวเลยนะแต่ถ้าไม่พูดพยายามตั้งใจเดินกำหนดสติขึ้นไปบนเขาบนถ้ำเลยจะไม่ค่อยเหนื่อย แต่ถ้าองค์ใดทั้งพูดทั้งขึ้นองค์นั้นไม่ขึงเครื่งทางละหอบแหกแหกแหกฉะนั้นทําอย่างไรจะไม่เหนื่อยขึ้นไม่พูดนะถ้าไม่มีบทบาทได้พูดเราก็ไม่พูด ถ, ถ้ารับรับผิดชอบในการพูดแล้วก็พูดพูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์ฉะนั้นเชาววันนี้ก็พูดในเรื่องของการปฏิบัติพร้อมกับ ประสบการณ์ปัจจุบันประสบ ก, การณ์ในอดีตเขาพูดหลายครั้งแล้วประสบการณ์ในอดีตเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในปัจจุบันเราส่วนมากจะมองไปอดีตมากกว่าหวังในอนาคตมากกว่าไม่ค่ยเห็นปัจจุบันเมื่อกี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดถึงเรื่องของอิธิปาติหาร อาตมาก็ชอบในอิทธิปฏิหารนะแต่ก่อนก็เข้ามาเพร่ออิทธิปฏิหารเนี่ยนะอยากจะได้อิทธิปฏิหารนะแล้วก็ศรัทธาผู้ที่มีอิทธิปฏิหารนะไปเจอพระท่านทำอะไรที่พิสดารแปลกๆให้ดูนะโอ้ชอบแล้วก็ชอบปฏิปทาของพระคุณเจ้าของสมณเณรสมณเณรลูปหนึ่งเดินนเดินทุดงเดิ น, ต, ดดดนตุดงไปเจอนั้นเจอนี้ พาเขาเจอช้างเจอเสือเจอสัตว์ป่าปรากฏตรงนั้นตรงนี้เขาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวจริงเราก็นั่งฟังโอ้ยน่าศรัทธาเราบวชไปเราจะอะเราจะเดินบ้างออกพรรษาเราจะเดินบ้างนะ <c oughs> จะเดินดเดินกลมเดินธุดงด้วยที่นี้เรามาปฏิบัติก็ไม่เดินธุดงที่ไหนเดินปฏิบัติเดินธะดงในใจตัวเองนี่นะยังไม่ออกบรรษา แต่ก่อนอา่านโลกทิพย์เยอะเขาอยาเห็นผู้มีอิทธิปฏิหารในงึดคุณผมรู้จักคาว่างึดไหมงดเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันถึงใจมากกว่าอัศจรรย์ใจนะอัศจรรย์ใจก็นั่งปฏิบัติเพ่งแล้วก็แล้วนะบางครั้นงนั่งเพ่งไฟเขาอา่านในตํำราเพ่งไฟใช่ไหมครูบาอาจารย์นี่พาเพ่งไฟก็จุดเทียนขึ้นมานั่งดู น้ำหูนําตาไหลเป็นเล่มเนะนะเพ่งไฟเพ่งเทียนบางทีเราขึ้นไปบนหอแล้วค้างเพ่งลมบ้างทีเนี่ยเวลาลมมาอ่าปลายไม้มันโน้มเอียงแล้วก็เพ่งกีดลงไปกั้นใจใส่มันนะจะเพ่งศพจังหวัดที่เรากั้นใจเพ่งใส่ลมมาพอดีอยอดไม้มันโน้มเอียงมาทางเราแล้วก็ โอ้สำเร็จแล้วบ้างนล่มัมันก็คิดไปนะมีเวลาลมไม่มามันก็กลั้นใจใจจะขาดก็ปล่อยมันเดิน ม, มันเนฉะนั้นพอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยมาเข้าใจคำว่าอิทธิปฏิหารที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเป็นโลกีอิทธิปฏิหารเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคนใช้ไม่เป็น เป็นโทษแก่สังคมไทยโดยสัําไปเพราะสังคมไทยเราทุกวันนี้นเป็นอาจรศรัทธาก็เป็นเจรศรัทธาศรัทธาวันไวเพราะอิทธิปฏิหารบางครั้งพระเล็กพระน้อยพระครูบาอาจารย์พยายามปั้นตัวเองพยายามลุกศิษย์ปั้นตัวเองขึ้นมาอุปโล ก, กันขึ้นมาให้ เพราะทวันมันปั่นได้มันเขียนได้เขียนลงในโลกททพบ้างเขียนลงในอะไรต่างหรือมีเล็กๆน้อยๆก็ทําให้มันมีมากนะพอทําให้มีมากแล้วก็อุป โ, ปโลกโปรโมดกันพอโปรโมดกันเยอะๆแล้วเป็นไงทีเนี้แหกันไปทีนี้สังคมไทยคิดว่าผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชนั้นจะอภิบาลคุ้มครองเราได้คิดว่าผู้ที่มีฤทธิ์มีเดช น, น, น, นั้นจะเสกความ้นทุกข์ ให้เราได้นะไม่ใช่ไม่มีเป็นไปไม่ได้เลยเด็กพู้ที่จะมีที่ปฏิหารจะเสกให้เราพ้นทุกได้มีแต่เพิ่มความหลงให้เรามากขึ้นนะเพราะอะไรบางทีเป็นนั่งนะบางรูปอยากมีที่ปฏิหารอยากได้ลาภสักหลาก็เป็นนั่งเอาเล็กเอาหวยกันพระพาโยมไปเอาหวยนะ พอถูกงวดหนึ่งงวดสองงวดสามมาก็เอาระยมทีนี้ซื้อกันหนักเลยทนะีนี้โง่งวดก่อนในี่ใกล้งนะวดนี้ต้องแน่นอนนะพองวดนี้มาผิดตัวเดียวใกล้อีกแล้วงวดหน้าทุ่มเต็มที่นะสุดท้ายก็น้อยนะร้อยคนจะถูกตัวคนหนึ่งนะี่ฉะนั้นเยอะนะทุกวันเนี่ย แต่ก่อนเดี๋ยวโยมพ่อโยมแม่จะมาไปไหนหนอเดี๋ยวพ่อจะพาไปเอาเหล็กเอาไปาเขาดึกดื่นกลับมาแล้วก็ไปเห็นต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้แล้ก็บอกกันน่าจะไปขูดด้วยต้นเนี้ยก็ไปขูดต้นไม้อีกทีนี้นะไปด้วยกันสิบยี่สิบคนก็มันจะใกล้มันต้องใกล้สักคนหนึ่งถิ่มถิ่มต่างๆกันไปนะฉะนั้นกนเลยย้อนไปครั้งพุทธกาลเนี่ย พระเจ้าอโศกมหาราชน่ะจะฆ่าพ่อเพราะอะไรจะฆ่าพระเจ้าพิพิษฐาเพราะอะไรก็ขออภัยพระเจ้าชาติศัตรูเ๋ยะมันมัาไกลกันเกินหลายร้อยปีนะหางกันพระเจ้าชาติศัตรูจะฆ่าพระเจ้าพิพิษฐานเพราะเชื่ออิทธิปาฏิหาริย์เนี่ย เชื่อผู้วิเศษก็คือพระเทวทัตเทวทัตนี่ได้โลกีอาจารยไม่ได้คุณธรรมอะไรเลยนะปฏิบัติยังไงไม่รู้นะได้อาจารย์มาบัตได้โลกีอาจารแปรงลงร่างเป็นสัตว์ได้แปงลงร่างเป็นหูเป็นนาลายเป็นพรมต่างๆนานาให้พระเจ้าสัตว์ตัวเห็นพระเจ้าสัตว์ตัวก็โอ้นี่คือพระราหันนะทีนี้ พระอรหานของพระเจ้าชาตตูตัวแรกหมายถึงผู้ที่มีอิทธิปฏิหารมีฤท ธ, ธ, ธ, ธิ์มีมเดชนะทาเมือก็หลงเชื่อน่ก็บอกให้พระเจ้าอาชาตตูเนี่ยอยากจะปกครองเมืองใช่ไหมฆ่าพ่อตนเองพราะพ่อเนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อเจ้าชายศสด็จฐาเหมือนไม่ได้เรียกไม่เรียกพระริเจ้าเลยใช่ไหเ น, นียเพราะว่า ตัวเองอยากเป็นใหญ่ในคณะสงฆ์จะฆ่าพูดง่ายๆอยากจะฆ่าเจ้าอาวาสอยู่ที่กันอยากจะฆ่าพระพุทธเจ้านะปกครองสงฆ์แทนเพราะว่าราบสักการะมันเกิดขึ้นกับพุทธศาสนาเยอะแต่ก่อนอยากโยมโอ้พระเจ้าประสงค์พระพุทธเจ้าเผยแผ่ก็อาหารอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นราบสักการะเกิดขึ้นมากมายนะตัวเองก็ ทำยังไงเราถึงเป็นเป็นถึงกับลุงอ่ะเนะลุงตัวนี้หมายถึงว่าพี่พี่เขยไม่ใช่ใช่ไห ม, มพี่เมียเนี่ะเขาเรียกอะไรลุ ง, ลงพี่เขยนี่คืออะไรอ๋อเห็นไหมมันไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างก็เลยหลงหมดเลยนะเป็นลุงตัวเองถือเป็นถึงกับลุงนะไอ พระเจ้าเป็นน้องน้องเขยใช่ไหมเป็นน้องเขยเนาะเป็นเป็นสามีเมียนะเออสามีสามีน้องสาวเริ่มฉับชนแล้วนะทีนี้หลังจากพราะความถือดีตอนนี้ว่าบุรูปเจ้าเนี่ ย, ป ย, เ, ยเป็นน้องเขยตัวเองเนี่ยจะมาเก่งกว่าตัวเองได้ยังไงมันต้องเป็นรองเราสิเราต้องเก่งกว่าใหญ่กว่านี่คือความถือทางโลก ลูกเก่งใหญ่กว่าพ่อไม่ได้จะดีกว่ากันไม่ได้นะดะนั้นเขาจึงบอกว่าทุกคนเขาอยากจะเห็นเราได้ดีแต่ถ้าเก่งขึ้นทุกทีเขามันไส้จงทําดีแต่จะดิน่นจะเป็นภยัยไม่มีใครเขาจะเห็นเราเดิ่นเกินนะแต่พระเจ้าก็ทําหน้าที่ของพระเจ้าทุกทุกพงกเขาทำหน้าที่ตรงเนี้ยเทวทัตก็เลยอยากจะปกครองสง์ก็เลยแปลงตัวไปเป็นมรเจ้าซะตัวเป็น เจ้าเมืองจะต้องทำอะไรหลายอย่างให้ฆ่าพ่อนะก็ไม่กล้าฆ่าโดยตรงจับพ่อไปขังจะไปขังแล้วก็ยังไม่ตายนะทำไมไม่ตายโอ้พ่อมเหสีคือแม่เอาข้าวไปส่งเอาข้าวไปส่งห้ามเอาข้าวไปส่งแม่ก็เข้าวใส่มวยผมไปส่งผูกมวยผมแล้วก็เข้าไว้ในมวยผมไปส่งพระเจ้าชาตรู ก็ได้ข้าวที่มวยผมแล้เนี่ยไปดูก็ยังเนื้อหนังยังเป่งปังยังอิ่นน้ําสํารานอยู่ทํายังไง <c oughs> ก็ห้ามหมาแม่เข้าไปสรงตรวจนะตรวจที่ผมตรวจในร่างกายตรวจแม่ก็ทํายังไงจะพระเจ้าศัตรูคือสามีจะได้ทานข้าวสงสารเอข้ า, ท า, าวานนนนทาตามตัวเท่านี้เอานมเป็นนมเป็นเนยทาตามตัวเข้าไปแล้วพระเจ้าศัตรูก็ต้องเลียกิน เก็นะบกินดิเมลเก็บกินแต่เมล็ดเลียกินตามร่างกายตามอะไรต่างๆที่ภาพปบ ป, ปิไดไวนะ้ทีนี้ไปดูอีกก็ยังไม่ตายอีกเป็นเพราะอะไรก็มหาดเล็กหรือว่าทหารมองบอกเห็นต้องตรวจแม่เลยนะตรวจ ด, ดูที่ไหนได้นมเนยเต็มตัวเลยนะก็เลย ข้ามเข้าไปเยี่ยมนะผ่านไปเกตวันแปดวันก็ไปดูก็ยังไม่ตายอีกนะยังแข็งแรงอยู่ยังสดชื่นหน้าตา ย, ยู่ม่เป็นกลียวใสยอยู่ทำยังไงก็ต้องถามว่าทำไมถึงไม่เป็นไรเห็นท่านไม่ทําอะไรไเห็นเดินจุ ก, กลมอยู่เห็นเดินกลับไปกลับมาเห็นไหมท่านอยู่ได้ด้วยเพราะการปฏิบัติธรรมพระเจ้าพระเจ้าพิมพิสารเดินจุ ก, กลมใน เขาไปดูที่ไปเขาไปดูที่ไปทีอินเดียยมเห็นที่อยู่นะที่กักขังพระยาพิสาอนอาตมาจะไปดูอยู่เนี้ยอยู่ได้เพราะอะไรอยู่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมเดินจย ก, กมเดินโยกรมสร้างอยู่วะมีพระคุณเจ้าองค์หนึ่งนี่อยู่ตอนนี้จะเก็บบัลลุมแนละ้วมาอยู่เนี่ยองมาออกกําลังกายกับโยมได้สองเช้าแนละ้ววันนี้ไม่เห็นมางั้นอดข้าวสามเดือนนะ เมื่อกี้เนี่เพิ่งผ่านไปเพิ่งทานข้าวชันข้าวไม่ออกพรรษาเองนะนท่านก็มารวมด้วยนะ่ะท่านอยู่ได้เพราะอะไรเพราะนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบ้างแล้วก็อยกมือสร้างเกวะมากช่วงเนี้ยแต่ก่อนทั้งนั่งสมาธิสู้อารมณ์ไม่ไหวมันทุกข์แก่หาทางไม่ออกไม่ได้ก็พอยกมือสร้างเ่วะมันคตรโล่งมาโปร่งสบายแต่เดินจั ก, กลมน้อยเพราะว่าต้องใช้พลังงานน้อยสุด นะฉะนั้นการเก็บอารมณ์หนะรือการเข้าหลวงพ่พนะอพระอาจารย์วิสานัก็เหมือนกับเก็บอารมณ์กักขังตัวเองมันทําอะไรไม่ได้ถูกกักขังนะถูกขังโดยขัดขืนไม่ได้อันนี้เราเก็บอารมณ์ก็ยังถูกก็ยังเผหลวงพ่อเผยก็ยังแอบออกมาได้นะนนก็ยังเผยแอบไปคุยตรงนั้นแอบไปยืนมองตร ง, ตรงนั้นตรงนี้ก็ยังมองไปได้อันนั้นถ้าเราถูกกักขังอยู่ในอุมโมงค์เป็นยังไงอาตมาก็เลยนึกถึงคน คุกเนะถ้าเอาการปฏิบัติทำไปได้เนี่ยจะแก้ได้เยอะเลยเรามาเคยอ่าพาเข้าไปครั้งหนึ่งนะในเรียนจาําไปพาเขาปฏิบัติทำเลยแต่ไม่ได้ติดตามผลช่วงนี้ทีนี้พระเจ้าอาชาติตรูทุทาไงทีเนี้เห็นพ่อเดินอยกลมทําไงจะให้เดินได้ก็เอามีดเยไปกรีดฝ่าเท้า ดูสิทรมานพ่เอเขามีไปกรีดฝ่าเท้าพา่อกรี ด, รดเดินไม่ได้เนี่เมื่อเดินไม่ได้ค้นนั่งนั่งสมาธิไม่นานก็จนเจียนนะพอดีอเผอิญว่าบุญยาวาสนาช่วยนิดหนึ่งก็คือภรรยาตนเองเนะี่ยพรมีศีลภรรยาตนเองคลอดลูกพอดีเป็นลูกชายพอคลอดลูกเป็นลูกชายแล้วเนี่ย ก็ดีใจได้พระโอรถโอ้ยมากอดมาหอมมาจูบเท้าดีใจแทบร้องไห้นะแม่ก็เลยพูดขึ้นคํานึงว่าลุงเอ้ยอย่างนั้นตั้งแต่เธอออกมาใหม่คลอดไปใหม่พ่อก็ทําำมาเธออย่างนี้แหละนะพ่อก็ทำํำมาเธออย่างนี้พระเจ้าชจ้าศัตรูได้ฟังนั้นนะนึกถึงความรักที่พ่อรักตนเองเหมือนกับตนเองรักลูก นึกถึงขึ้นมาได้น้ำตาไหลเลยโอ้ยกลับไปดูพ่อพึ่งได้ลึกได้กลับไปดูพ่อร้องไห้เราทำอะไรผิดไปแล้วหรือนะพอกลับไปดูเป็นไงไปเห็นลมหายใจสุดท้ายพาดอดีก็ไปกราบพ่อก็สวรรคตรจะไม่สันนีฉะนั้นพระเจ้าศัตรูนี่หลงเพราะอะไร หลวงพอ่ออิทธิปาฏิหารฉะนั้นอิทธิปาฏิหารเนี่ยมันไม่ทําให้คนหมดทุกได้นะนอกจากเทศนาปฏิหารหลวงพอ่อท่านเทศทุกวันเนี่ยธรรมาก็งึดหลวงพ่อเหมือนกันอศัศจรรย์หลวงพ่อเหมือนกั น, นพายกมือพาออการงกายท่านพูดทุกวนันนะตรงนั้นตรงนี้นะนะนวดตรงนี้เป็นอย่างนี้ทันท่านท่านนี้ าอาตมาคงไปพูดแล้วล่ะนะเอาทำกันทาตามหมแล้วกันนะถ้าอาตมานะจะไม่บอกนะเอาทำตามนะท่านพูดทุกวันก็ยอมือกันในประเทศไทยคงมีองค์เดียวนี่หล่ยนะนะมนุษย์หินนะแข็งแรงตั้งแต่อาตมาเห็น ป, ปีสามเ็ดยังไงก็ป่านนี้ก็เหมือนเดิมหนะนะลงจากราสาก็ถือท่อเดินตรวจดูน้ำนะท่านเป็นคนละเอียดอย่างนั้น ฉน้นเราได้กัลยาณมิตรที่ดีแล้วเนี่ยเราอย่าปล่อยโอกาสให้ให้เวลาของเรานะั้นสูญเปล่าอย่าไปหวังอะไรที่คนอื่นเนี่ยทําให้เราไม่ได้หรอกขณะพระพุทธเจ้าอยู่ก็ยังทําอะไรให้เราไม่ได้เลยทําให้สาวกไม่ได้หน้าที่พระพุทธเจ้าคือตถาคตแปลว่าผู้บอกตถาคตะผู้บอกทางนะไม่ใช่ว่าผู้หอบให้พ้นทางไม่ใช่ผู้ยกผู้ดึงผู้ลากให้หมดทุกข์ไม่ใช่พระพุทธเจ้า ตถาค่ะตถาคตตถาคตแปลว่าผู้บอกทางบอกทางที่ดีฉะนั้นบัณฑิตจะบอกทางที่ออกจากทุกข์ท่านั้นนะบัณฑิตถ้าไม่ใช่บัณฑิตเนี่ยคนพันน้งหลายจะบอกทางไม่ใช่ทางไหนก็ตามที่ไม่ใช่ทางออกจากทุกข์คนพันเนี่ยบอกทางนั้นทางอบายยมุขทางแห่งความหลงฉะนั้นภาษาอีสานเขา ขอยกเรื่องผีสักนิดหนึ่งนะนะเพราะว่าใครฟังภาษาอีสานก็ออกบ้างอย่นี้ถ้าออดนิดหน่งนะผีอีสานมันมีเยอะ <c oughs> อาตมาจําหลวงพ่อหนึ่งมันพูดอาตมาก็เลยพยายามหลวงพ่อสุดทาท่านพูดที่แลร์ตมาเนี่ยต้องนั่งฟังทุกทีพูดภาษาอีสานเพาะมากหลวงพ่อองค์นี้ยตนะ่พระเราตัวนั่งอยู่ตรงนี้มีใครรู้จักหลวงพ่อสุดทา้าบ้าง รู้ไหมาจารรู้ไหมเพระว่ า, าท่านมรณภาพมาปีสี่สิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าไม่ในใจอยู่คลองสารเองเองนะอยู่สีอู่ทองเนะี่ยเขาบอกว่าผีเอา <c oughs> าษาสารเนะาะผีเป็นเสียนเป็นนามสังคมก็มากผีซักหลากรุร่วงสิน่นรรำ ผีใจดําหาทําเตซัวผีขี่กลัวขี่หินขี่ไส้เ่ผีไส้ไล่กดลงลุมมากมี่ผีปากผีเคาะผีหมอผีส่พ่อต่อแหลงแง่เงาผีหาเวาล่อหลอกล่งขนมีผีกลนผีมุนต่างๆผีนาดังบอกเหล็บอกผาผีฆ่าทากันปืนกันมีดผีนอกหีดของพระโคดมผีน้อนส้มผีหงผีฮาผีไปดาป่อยปู่ป่อยคน ผีส่วนล้นลูกบอกงาบอสนะสิภาคผีอยู่น้ำข้นแลนเกษีย์กษสน้ำพวกบลาขั้นผู้ใดเป็นพระมันยันมันกลัวเป็นเบิดตนเบิดตัวเบิดใจมันยันขั้นผู้ใดนาดันขาดจากสิ่นรรมผีมุนีแล่นหน้าขี่หัวยืดยืดเฮ่าเถิดดลุ่มหนาลุมหลังล่างตัวสร้างล่างตัวปดาลล่างตัวว่าเหนื่อยเสียดสีขั้นผู้ใดเป็นพระมันยานมันกลัวไหมครับขั้นผู้ใด ถ้าใครเป็นพระเนี่ยผีพวกเนี่ยผีหมาถึงว่าไม่ใช่ผีภายนอกนะผีที่พูดมาทั้งหมดคือผีที่พูดหลอกลวงคนผีสิบแปดมงกุฎผีแอ้พวกที่บอกเลขบอกหวยนั่นก็ผีเหมือนกันท่านบอกพวกคาถาอาคมต่างๆก็ผีเหมือนกันผีนอกฤทของพระโคดมมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่สอนแต่ไปสอนสิ่งที่ไปสอนสิ่งที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนไปสอนสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่พ้นทุกข์ นใช่ไมมทวัดอืมเพื่นเขาพูดต่อไปอีกว่าผีพวกนี้นะขั้นพลายโง่มันถู ก, กิน ง, งัวบปดคลองขั้นผู้ลายฉลาดมันประกามากินถ้าใครฉลาดมันไม่กล้ามากินนะมันบอดียินหัวซ่าเัาดอกมันประกามาหลอกคนมีปัญญาคนมีปัญญาผีพวกนี้ไม่กล้ามาหลอกนะเขามันประกามาหลอกคนมีปัญญา เห็นหนาเขามามันไอยอยากแลนเพราะว่าตับเข้าเกะเพราะว่าตับเป็นแกลคือเหล็กตะไบอยู่นนะผีพวกนี้มันจะกลัวคนที่มีปัญญามันจะกลัวผู้ที่ปฏิบัติธรรมกลัวคนพูดธรรมะนะพวกนี้ยถ้าพระที่อ่าพูดธรรมะเขาใจธรรมาในผีพวกนี้มันจ ะ, จะไม่เข้ามาปฏิบัติธรรมนะมันจะบอกว่ามันจะถามเลยว่าคนโง่งคนฉลาดอะไรเยอะกัน ตาออดในสังคมทุกวันเนี่ยคนโง่คนฉลาดอะไรเยอะกั น, น, นโธ่ตาออดก็ยังรู้ว่าคนโง่มากกว่าตาออดเป็นอยู่ในจํานวนไหน <c oughs> <c oughs> นะเจ้าฉลาดตาอตอดตาออดเข้าข้างตัวเองนะตาออดเพะฉะนั้นเขาบอกเขาจะถามว่าคนโง่คนฉลาดมากกว่ากันต้องบอกว่าคนฉลาดน้อยกว่าเ น, นีคนโง่มากกว่า คนโง่เพีไหนอะไรเงี้ยคนที่หลงเชื่ออะไรง่ายๆคนที่หลงเชื่ออะไรง่ายเขาบอกว่าปถมนี้เชื่อใครนักเรียนปถมไม่เชื่อใครปถมนี่จะเชื่อพ่อแม่มากกว่าได้ไหมปถมเชื่อคุณครูเชื่อพ่อเชื่อแม่มัธยมเชื่อใครมัธยมเนี่เชื่อเพื่อนนะอุดมเชื่อใคร ออดมไม่เชื่อใครระดับปริญญาตรีนเชื่อใครเชื่อตำรานะเชื่อตำลาเริ่มเชื่อตำรานะ้ถ้าปริญญาโทก็ยังเชื่อตำราอยู่นะทำงานไม่ใจก็ต้องมีอ้างอิงนะต้องมีที่มาไม่มีอ้างอิงไม่ได้เปลี่เอกเชื่อใครทันี้นะเขาบอกนะทำไมาไม่ได้พูดทนะี่เขาบอก ปริยโทนี่ก็ยังมั่นใจในตัวเองปริยโทนี่มั่นใจในตัวเองแต่ปริเอเกนี่มักเชื่อหมอดูแล้วทีนะี้ปริยปริยตรีนี่เชื่อตำราปริยโทนี่เชื่อมั่ น, นตัวเองเวลาไปไหนหนูต้องฉันแตมันพ่อกระลาว์นะพราพรากระเทินพวกนี้ยแต่ต้องฉันแต่พอปริเอกปุ๊บนี่เริ่มเชื่อหมอดูนล้วนะโอ้ธรรมารเห็นนะ ไปเรียนดูเนี่ยพระอาจารย์มีพระองค์งหนึ่งไปเรียนด้วยกันที่มอขอนี่ยนะ <c oughs> อาจารย์สอนนี่แหละเห็นพระดูลายมือให้กันในห้องนะเอพระอาจารย์ดูให้หน่อยดูให้อาจารย์หน่อยพระอาจารย์ดูให้หน่อยนะเดีวก็พูดถึงไปดูหมอตรงนั้นตรงนี้นลองสัตราจารย์นั้นเนี่ยที่ปรึกษาวิทยนษณษณษานาสตร์นิสมันดูขอดูลายมืออะไรต่างๆ ดังนั้นมีเยอะนะเพรเชื่อมั่นตัวเองนะก็เริ่มเชื่อหมอดูนะนะอันนี้ก็อาจจะมีบ้างนะฉะนั้นพระส่วนที่ไม่อยากจะเข้ามาปฏิบัติทึ่งบอกว่าจะหากินกับคนที่ไม่ฉลาดไม่อยากบอกว่าโง่นะอาจจะฉลาดน้อยมไปคนพวกนั้นก็เลยทําอะไรที่มันแผงแขังขึ้นมาเมื่อวานนี้โยมนิมนตตมารเพราะเขาศรัทธาธรรมาบอกพระอาจารย์ วันที่ยีิบเก้าจะอยู่ไหมฮะโอ้ต้องดูก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งแม่เนี่ยไปพูดกับพระอาจารย์อีกองหนึ่งไปแล้วพราะงั้นเ๋ยวพระอาจารย์ไปนั่งปลุกเสกด้วย <c oughs> นั่งปลูกเสกด้วยนะตอน น, นี้เขาใส่เขาใส่ซองมาแล้วนะอาจารย์มีรางวัลรอใจเราอีกนะะมีรางวัลรอใจเราอีกครึ่งหมื่นเนี่นะนั่งเพียงแค่ สองชั่วโมงเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มนพระเราไปนั่งนะเพราะว่าเขาจะเขาจะสร้างพระทันใจเพราะงั้นคิดดูเลยพระทันใจมีที่ไหนพระทันใจมันต้องพระทำใจมันเยอะนะเห็นอะไรไม่ได้ดังใจเพราะว่าพระเขเหมือนกับคนธรรมดาเนะ่ยถ้าไม่ได้ปฏิบัติมีชีวิตจิตใจมีความอยากคนต้องการเมันคนธรรมดาทุกอย่างแต่ทํำมันคนธรรมดาไม่ได้เพราะอะไรเพราะวินัยมันครอบอยู่เพราะวินัยเป็นตัว กำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตอยู่ทำอะไรเื่นคนทำไมได้ธรรมดาไม่ได้ไไดนะมันก็เลยทุกข์สิทีนี้นี่พระทั้งหลายที่ทั่วไปนะัน่นแหละนะที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามานะ่ะมีความต้องการไหมมีความต้องการปัจจัยสีเื็นคนธรรมดานะมีความต้องการเันสัตว์ธรรมดาหนึ่งการเป็นอยู่การกินสองสืพันธ์สามกลัวตายนะแล้วก็สี่หลับนอน เหมือนคนธรรมดาทั่วไปวนะั่นแหละแต่ว่าทำเหมือนคนธรรมดาไม่ได้เพราะอะไรเพราะวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยเป็นตัวครอบไว้ในเมื่อวินัยครอบไว้เนี่ยมันไม่ได้ฝึกตนเองเนี่ยมันก็เหมือนกับไก่สัตว์ป่าที่มันถูกขังไว้ในกรงอะมันก็ดิน่นดิ่นหาทางเผยไม่ได้เผย ป, ปุ๊บก็เมื่อสามสีเมื่ออาทิตย์ก่อนเน่ะเจ้ า, าเขาทำเผอไหนไม่รู้นะ อยู่รู้สึกอยู่ภาคเหนือถูกจับมาทำอะไรเมาเล่าอรารวาสเห็นไหมเจ้าหน้าอําเภอปุกคลองเมาเล่าอรารวาสเพราะอยากเหมือนคนธรรมดาแต่มันไปนั่งกินในร้านอาหารได้ไหมไม่ได้นะทาอะไรไม่ได้ก็ต้องไปเอามากินที่กุฏิที่นี่มีรูกสิษย์ดูขาที่ไว้ใจได้ซื้อมาให้กินที่กุฏิกินแล้วทีนี้ มันเป็นไงมันบังคับตัวเองได้ไหมบังคับไม่ได้มันก็หางโผ่ใชีไหมตอ น, นี้แต่ออดพอหางโผล่เป็นไงลีลาลวดลายมันบอกคุมสติไม่ได้ก็มองอารวาสไม่รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรสุดท้ายก็โด่งดังไปเนี่ยฉะนั้นไอตัวเนี่ยตัวปฏิบัติเนี่ยมันจริงที่เอาพระอยู่ถ้าใครที่ตามเห็นอารมณ์ว่า ง, งามอยู่ ใครที่ตามเห็นอารมณ์ว่างามยังลงไหลในอารมณ์หนึ่งมานย่อมลังควนมานย่อมลังควานพวกคนพูกตามเห็นอารมณ์ว่างามเห็นทางตาว่างามเห็นทางชอบในตาความสวยชอบในจมูกยังหอมในชอบติดในรถกายสมบัสที่ดีชอบฟังเสียงเพราะเนี่ยชอบฟังเพลงฟังมอสลำอยู่นี่ยังยังสังเกตดูเองง่ายนะถ้าจิตตกในธรรมาสังเกตดูตัวเองง่ายถ้าจิตตกเมื่อไหร่ ฟังเพลงเพราะนะฟังเพลงนะเพราะเอาโทรศัพท์เนบหูอันนั้นก็น่าจะกิจตกแล้วนะไม่ต้องมองที่ไหนไกลเลยนะถ้าเห็นพระเอาโทรศัพท์เนบหูกับเด็กนิ้วตามแล้วอันนั้นแหละใช่เลยทำ <c oughs> ไมก็เด็กนะิหนูเคยเห็นพระฟังเพลงไหมตัวเล็กอ่ฟังอะไเอาสมบัติเนบหูไหม ถ้าเอาเนบหูพูดเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะนะถ้าเนบหูพูดค่อยอยี ก, ย อ, กยอย่างสมัยจะเนบหูเดียวถ้าอาตมาก็าเนบหูเดียวถ้าจะเนบพูดจริงๆก็มาค่อยเนบในที่สาธารณะไม่คนรู้เท่าไหร่ <c oughs> ถ้าจําเป็นในที่โทรมาโยมโทรมาในที่สาธารณชนก็พยายามจะเออเดี๋ยวเดียวทำเท่าไรอยู่อย่างเงี้ยนะก็หามุมหลบถ้าจําเป็นก็ค่อยอโชว์เบอร์เกับไว้เขาโทรมานี่ก็โทรไปแค่นั้น ดังนั้นถ้าฟังเพลงเพราะอยู่นะสังเกตดูง่ายพระคุณเจ้าเรามันเริ่มจิตมันตกแล้วนะถ้ามันฟังธรรมะเพราะเห็นไหมว่ากระแสจิตมันคืนมาฟังธรรมะเพราะสนุกลงนะเพราะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ซ้ํซากเหมันเพลงเนะ่ยเพลงยิ่งตกหนักกว่านั้นก็คือดูคาราโอเกะนะดูมนะิวสิกอะคาราโอเกะมิวสิกที่เขาเป็นเพลงแล้วมีมิวสิกตามเนะี่ย จิตมันจะเข้าไปเกาะว่าตัวเองนั้นเป็นตัวพระเอกทันทีเลยนะแล้วก็สงสารผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงก็โอ้นี่คือฉันนะเนะี่เข้ากับชีวิตฉันเลยอะไรท่้นอง น, นี่นะเพราะฉะนั้นเพลงเขาพยายามที่จะแต่งขึ้นมาให้ถูกกับให้ถูกกับความรู้สึกให้ตรงกับคนจํานวนมากเพลงถ้าใครแต่งขึ้นมาให้ตรงกับชีวิตของคนจํานวนมากเท่าไหร่เพลงจะดังแระดูงดังแลวง้วขายได้ดีเท่านั้น โอ้เนี่ยชั้นเลยใช่ไหมโดยเฉพาะสาระคุณธุรมเนี่ยเป็นคนที่อาตมาไปอ่านงานวิจัยของอท่านหนึ่งที่เขียนคุณธรรมในเพลงของสาระคุณวุธเขาไปแกะมาว่าสาระคุณธรรมเขาแต่งเพลงในด้านเนี่ยเขาดึงมาจากจิตจากใ จ, ก จ, กจกแล้วก็มีผลทางด้านจะรียกทำอย่างไรบ้างนะส่วนมากก็ไปทางทางด้านชีวิต แต่งเพลงให้ไมพิลมพรให้สิริพรให้ตายให้ลูกทุ่งอ่สวนมากลูกทุ่งจะดังทุกคนเพลงไหนก็แต่ท่านเขาจะซื้อเพลงจากสลายแพงมากเพลงหนึ่งก็หลายเอามาชุดหนึ่งไม่แค่สองเพลงเท่านั้นชุดหนึ่งมันแค่สองเพลงแล้วก็ดังนะพระเพื่อนสมัยองค์หนึ่งอยู่คอนแก่นไปแต่งเพลงให้สิริพรเพลงหนึ่งเพลงอะไรนะเพลงอะย เลยนะาจะรย์ลืม <c oughs> ก็ดังเหมือนกันนะต่อมาว่าจะแต่งทักงสอ ง, ส, องสามเพลงลองให้ดูใครจะร้องในตอเนี้อื <c oughs> <c oughs> แต่งได้แต่งเพลงก็แต่งได้แต่งง่ายทั้งไปมาแต่งก่อนสารพันธ์ย่าให้คุณแม่อไปท่องแข่งกันะน้นะออกจากใจเแล้ ว, ลวเข้าถึงรากของชีวิตเข้าถึงอย่างถึงพื้นของชีวิตแล้วเนี่ยหมายถึงเข้าถึงความจริงชีวิตแล้วเนี่ยมันจะกันออก่นเอาไหมถูกชีวิตคนเพราะชีวิตคนมันอย่างเนี้ย ความเกิดแก่เก็บตายทุกคนต้องเจอความทุกข์ร้องไห้โศกกับเรียกเทวะทุกคนต้องมีความสมหวังความผิดหวังส่วนมากเขาแต่งเพลงในเชิงไหนในเชิงผิดหวังอาตมาสังเกตดูมิวสิของกินตลาดนะชอบสังเกตเหมือนกันก็ดูเหมือนกันนะดูมิวสิของกินตลาดนันไม่เคยมีเพลงในสมหวังเลยนะตอนจบไม่สมหวังมีอยู่เพลงเดียวที่สมหวังไอตัวเพลงมันกลับมานอกนั้นปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งตลอด ไปเพลงคนอื่นฉะนั้นถ้าฟังเพลงเพราะหนึ่งถ้าเป็นดูมิวสิกแล้วอินในมิวสิกหนึ่งแล้วก็ฟังพวกเนี้ยจิตตกนะ่ะทุกจะเข้ามามันจ้องจะเข้ามาแล้วทีนี้ฟังธรรมะเพราะเนี่ยถ้าใครฟังธรรมะเพราะฟังธรรมะแ้ไม่รู้จักเบื่อน่ยธรรมะก็พยายามเปิดเอาธรรมะในฮัดดิสเลมานี่ แปดสิจิ๊จัดไว้เฉพาะเพลงโดยเฉพาะเนี่ยพอดีเอ่อขอไปเฉพาะธรรมะขององค์อาจารย์มาสมอาจารย์สมภพม ห, มหลวงพ่อหมายเดี๋ยวเทียนเนีครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกือบแปดสิจิกนี่ที่เก็บไว้เต็มเอาอยากฟังองค์ไหนาเปิดเพราะทุกวันนี้ไม่ต้องไปตามฟังยากเปิดดูฟังนั่งบัดบัดทำเดิดดนโยกลมมีความสุขฟังแล้วมีความสุข ถ้ามีความสุขเพราะการฟังธรรมะน่ะจะเข้าใจครับว่าสัพพะโรโสธรรมะรังคีนาตนิแปลว่าไงไม่ชี้กุ้งสัพพะโรโสธรรมะรังคีนาติแปลว่าไงอ๋อเองมีใครแปลได้บ้างเคยฟังไหมเคยทสับไหมชาวพุทธเราว่าอย่างเงี้ยน่ ะ, นะอรรมาเคยถามเด็กคลี่ย เขาไปอบรมคุณธรรมหนูเคยเดือนหนึ่งนยหนูเข้าเชิญเข้าโบสถกี่ครั้งเนาะ mm hmm. เขาบอกว่าทุกอาทิตย์เลยพะอจันเนี mm ่ย hmm. เข้าไปร้องเพลงเข้าไปยินขนมเข้าไปขอพรเข้อะไรเขาสรารภาพบาปอะไรเขาแล้วแต่กิจกรรมเขานะ่ะไปถามเด็กอิสลามอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่ง เธอขอพรจากพระเจ้ากี่ครั้งปกติเขาห้าครั้งใช่ไหมแต่นี้เขาบอกว่าวันละสองครั้งเขาทํานะเขาทาวันละสองครั้งไม่ไม่มีเวลาก็เอาสองครั้งอย่างน้อยหรือถามเด็กไทยว่าเดือนหนึ่งเข้าว่ากี่ครั้งหนูมันบอกปีละสองครั้งคิดัวไหนใครเข้าปีละสองครั้งยิ่งมือขึ้นมัน บางคนก็ไม่เคยเข้าเลยนะเข้าเฉพาะวันกเกิดตัวเองไวเทนะ่านั้นบางคนก็มากสุดนี่จะไม่ใช่วันพระเดือนละครั้งเลยมากสุดเด็กไทยนั่นเด็กเด็กพุทธเนะ้นะจะหวังอะไรมากเด็กพุทธ <c oughs> ฉะนั้นคาว่าธรรมรสโศธรรมรสางชินาติว่าถ้าแปลเป็นไทยคงจะ อ๋อแล้วก็เคยได้ยินนะสัพพะโสเนี่ธรรมระสังชนะติรดแห่งธรรมะเนี่ยลดแห่งธรรมะชนะรดทั้งปวงใช่หธรรมะมีธรรมะเป็นอาหารอย่างหนึ่งไหมนะใช่ไหมลูกเคยได้ยินไหมธรรมะเป็นอาหารอย่างหนึ่งไหมเสียงเป็นอาหารไหม เสียงนี how. How. Huh. ่เป็นอาหารอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเอาเขาเรียกว่าผัดสาหานผัดสาหารอาหารหานะตอนนี้แปลว่านำมาผัดสาแปลว่าการกระทบมันนามาการกระทบมันนำมาเข้ามาอาหารเนี่ยอาหารแปลว่านำมาทั่วนะบางคนบางร้านอาหารต้เขียนอุตตริเขียนตัวอาแล้วก็เป็นหานเขียนตัวอาแล้วก็เขียนหานร้านอาหาร นะอาหารไมว่าสิ่งที่นํามานํามาสู่ร่างกายของเราฉะนั้นรถแห่งธรรมะในชน ะ, ะนนรถทั้งปวงฟังธรรมะมันได้ปัญญานะได้ซึ่งแล้วก็บางครั้งมันบางคนที่ปวงได้เพราะการฟังก็มีความโกรธเบื้องต้นความโกรธลดลงความปฏิฆาโกรธหยินง่ายลดลงนะความเห็นแก่แตัวอะไรต่างมันล ด, ล, ดลงบางคนเข้าใจสิ่งตรงนี้ยความตนีความ อะไรเนะี่ยเห็นมันลดลงได้การฟังโดยเพราะฟังเรื่องกรรมฟังทํามะฟังเรื่องกรรมมันก็ไปถึงตรงที่มันไปถึงแค่บุญนะฟังเรื่องกรรมแต่ส่วนมากก็ไปถึงแค่บุญทําบุญกันโอ้ยตอนที่นายชะนสะสนอชินะอะไรนะชินารัตหรือเสนอที่ที่เป็นพันเอกสนออะไรเนะี่ยที่ตายแล้วฟื้นเนี่ยนะนะแล้วก็มาเล่าเป็นตัวเป็นตะใน เทพในอะไรตอนนั้นคนที่บอกว่าไปนรกแล้วเออไปสวรรค์นะไปไปสวรรค์ น, นั่นนี่ไปดูสวรรค์ไม่มีน้ํากินทําไมเพราะาตัวเองไม่ได้ทานน้าโอ้จะกินน้ําใครมันก็เป็นน้ําร้อนไปหมดกินไม่ได้บ้างั้นไปพูดปากคนในกรุงเทพนี่พระหนักอะไปเป็นตบาะใส่แต่น้ํากันจนพระอามาไม่ไหวนะทำบุญมากกว่าไม่ได้กินน้ำนะเนี่ยฉะนั้นการพูดถึงเรื่องของกรรมเนี่ย พูดถึงเรื่องของชาติภพเนี่ยไปถึงเียงแค่การทำบุญทำบุญก็ยังนักเดี๋ยวก็ลืมเหมือนเดิมนหะแต่พอพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นชีวิตของเราเป็นวิถีชีวิตนะเป็นอะไรเขาเรียกว่าโดยออฟไ i น์ right, นะเป็นวิถีชีวิตชีวิตเราไม่ต้องอยู่กับตัวเนี้ยมันก็ไม่มีทุกข์ฉะนั้นตัวเนี้ยหลวงพ่อให้บอกว่ามาไปดูพูดถึงประสบการณ์ ปัจจุันมผบอกประสบการณ์คือเมื่อวานนี่สังเกต ด, ดูเองไงสังเกต ด, ดูตัวเองนะเวลาทํางานร่วมกันกับพระคุณเจ้าเนะี่ยมันต้องมีอะไรขัดแย้งกันออกมาก็ต้องทําอย่างนี้เรามีประสบการณ์อย่างเนี้ยนะเริ่มเริ่มเราขึ้นมาแนละ้วท่านเหมืนั้นมันไม่ถูกมันต้องอทําใจนะทําไม่ได้เราก็ต้องทําใจ ด, ดูกันปล่อยๆไปก่อนทีนี้สังเกต ด, ดูพระบางองค์เวลาเราแนะนำอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทําไมเขาไม่เอาตามเรา เขาไม่ได้เขาก็ไป่ทุกกับเรานะเขาว่าฉันถูกเขาก็ทําไปแต่เขาต่างคนก็ต่างว่าถูกมันก็ดีนะคแต่ประสบการณ์มันต่างกันเราก็ก็เลยไม่พูดดีกว่านึกถึงว่าไม่พูดดีกว่าอยู่เนี่ยทําำําหน้าที่ตัวเองดีกว่าตอนนี้ก็เลยปล่อยปล่อยอาองั้นนิดเนี่ยมาปรึกษาแเราก็แห่งคาปรึกษาเราจะไม่จะไม่ไปสอดปรึกษาใครแล้วเนี่ย ทำให้มันเกิดความกระทบดูแล้วก็ดูใจตัวเองวุ่นวายไม่กวนเนี่ยพูดจบก็มันยืนสังเกตดูใจนั่งดูใจนะให้ดูใจในที่วุ่นวายมันจะเห็นชัดนะดูใจในที่วุ่นวายดูใจในที่สงบไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะอะไรมันลึกมันฝังลงไปถ้านั่งสมาธิดูใจเนี่ยมันไม่ผุดมันไม่มันไม่พล่านจิเลศมันไม่ดิ้นรนมันไม่พล่าน ถ้า ต, ตรงไหนที่วุ่นวายเราจะทำตรงนั้นตรงนี้เข า, าเอะไรต่างเนี่ยมันจะมันแสดงออกมาให้เราเห็นนะมันแสดงไหมเรากําจัดแต่พอเราจะดูเป็นจริงมันหลบนะก็ เ, เข้าไปกลายเป็นไปตามความคิดตัวเองมันดึงเราไปเป็นมันเลยฉะนั้นการปฏิบัติตัวนี้ไม่ได้เอาฤทธิปฏิหารอะไรฉะนั้นสายหลวงพ่อเทียนนี่คนที่มีอิทธิปฏิหารมาก็มันดับตรงนี้แหละ พระโอ้ไดสมาบัตินั่งสมาธิเป็นหมอดูหมอเป็นเคยดูหมอแม่นพอได้มาเจออารมณ์รูมนาพอมาปฏิบัติทำเข้าใจทำไมา้ทิ้งหมดนะกลายเป็นอิทธิปฏิหารดับทันทีเลยอะไรไม่ได้เลยเพื่อนสมาชท่านพระอาจารย์เลยนะไปอยู่ผาตึมด้วยกันตอนนั้นบวชมายี่สิบกว่าพรรษาบอกว่า เป็นเจกิเนยเล่นครว่งรางของของังโอู้กผูกเรียนในขังเรียนนั้นว่าอย่างนั้นแล้วถ้าจับมาไอ้ฐานจิตแล้วก็เอาดีๆแล้วให้โยมไปรันฟันแทงกันไม่เข้าเลยนะอันนี้แกคุยเนะี่นมันก็ไม่ได้พิสุจ น, นว่าจะอิตโต่สับดูสักทีคนที่มันไอ้ฐานจิตนะปรากฏว่าพอมาปฏิบัติด้วยกันแล้วเนี่ย แกทิ้งเลยไม่ขังเลยทำเหมือนเดิมไม่ได้ทําทำไมถึงทาไม่ได้มันมีสติมันงั้นมันรู้ว่าทําแล้วมันมันเหม่กลัวหกอ่ะไม่ถึงไม่โกหกมันก็ไม่อยากจะทำเพราะมันทําให้คนเขาหลงไงกลายเป็นทิ้งเครื่องรางของขังอะไรต่างๆปลดออกหมดเลยนะไม่เอาแล้วมาชอบหลวงพ่อเทียนคําหนึ่งบอกว่ามีโยมคนหนึ่งที่ถือของขังเนี่ยไปหาท่านเอาพระไปหาท่านบอกหลวงพ่อครับ เนี่ยรุ่นเนี่ยเก่าแก่ที่สุดเลยมาไปหาหลวงพ่อเทียนไปหาใครไม่ไปไปหาหลวงพ่อเทียนถ้าไปหาตาออดนี่ก็ซื้อเลยเป็นห ม, นมาานนื่นได้ใช่ไหมตาออดเอาเนี่ยรุ่นเนี่ยหลวงพ่อเก่าแก่ที่สุดเลยน่ะหลวงพอ่พอหลวงพ่อคอนโดนะเออมันก็ไม่เก่ามากกว่าไปขวดดินที่โยมเหยียบเข้ามาในกุติอัตมาหรอกผมว่าอย่างนั้นนะเออันนี้เก็บมากนะไงหลังเลยนะ บอกว่าพระรุ่นนี้เก่ามากนะหลวงพ่อบอกว่ามันไม่เก่าไปกว่าดินที่โยมเหยียบเข้ามาในกุฏิอาตมาหรอกนะฉะนั้นพื้นดินนี่มันเก่ามากว่าพระนี่อีกทำไมไม่เอาดินนั้นไปบูชาคือเราเห็นตรงเนี้นะถ้าปั้นขึ้นปั้นเป็นรูปปั้นเป็นรูปงูมันก็สมมติว่าเป็นงูนะปั้นเป็นรูปเราก็สมมติเป็นเราะปั้นเป็นรูปอะไรปั้นเป็นรูปพระเจ้าก็สมมติว่าเป็นพระเจ้ามันก็ดินนั่นแหละนะ ฉะนั้นเขาบอกาถามว่าดินประเทศไหนแพงที่สุดดินดินประเทศไหนดินในโลกเนะี่ยมีประเทศไทยแพงที่สุดเล็กๆเกท่าโป้มือเป็นสิบล้านนะมีที่ไหนเนาะดินประเทศไทยอันนี้เขาเข า, เขาพูดก็ถามกันอะไรเอ่ยเนี่ยธรรมะ ก, ก็จริงมันเขาว่านะเล็กๆ เ, เอาดอกเกี๊สอนดอกไม้เอาเกาีานั้นนี้ไปผสมหน่อยรุ่นเจีสารุ่นเอ า, เอา พออนะอลอยไปฝังซะหน่อยนะเอาเลยฝังเป็นสิบล้านเนี่ยรุ่นสมเด็จเก้าชั้นรุ่นรุ่นดีดีรุ่ น, น ด, ด, น ด, ดีๆไม่ไม่แพงนะถ้ารุ่นซุดโซมรุ่นแตกลายงาแปลว่ามันซุดมันแตกลายงาหมายถึงว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันจะชำรุดมันจะแตกแล้วนะรุ่นนั้นแพงมากรุ่นนั้นนะ่ยก็ บางทีก็ขังเขาว่าเนี่ยยิงไม่เข้าพอยิงไม่เข้าเป็นไงพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทําให้ตัวเองไปยิงคนอื่นไปฆ่าคนอื่นสิเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองมันขังแล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นทําให้คนไทยเราหลงมากพระก็ เ, เลยตอบสนองอย่างจริงจังนะเอาเป็นเป็นเอาเป็นจริงเป็นจอาตมาพูดถึงเรื่องของพูดถึงเรื่องของพระเขาไปสร้างพระทำใจพระทันใจอาตมาไม่กล้าขัดหรอก ถ้าไปก็มีหน้าของเขาเนี่ยก็หาทางบอกทางสอนเราพอไปเออพอเขาเปสร้างเขาบอกว่าพระทันใจคือสร้างเป็นเขาท่านไงหรือครเคยสร้างข้โมนบ้างทําไมต้องเรียกว่าทันใจสร้างทันใจอ่สร้างวันเดียวคือไปวันนั้นต้องสร้างวันนั้นที่เสร็จเลยพระทันใจสร้างเสร็จแล้วเป็นไงทีเนี้ยมีความสุขไหม มีความสุขพอสร้างเสร็จโอ้ยมันก็มันก ka, ็เราสร้างบ้านเสร็จแล้วมีความสุขไหมสร้างบ้านเสร็จแล้วโอ้มันนั่งดูบ้านตัวเองมีความสุขนะเออเอามาสร้างบ้านเสร็จแล้วมาบวชสร้างบ้านให้พ่อแม่เสร็จแล้วก็มาบวชดูแล้วมีความสุขแล้วก็ลืมเหมือนกับเรามีรถใหม่สักคันหนึ่งเนี่ยซื้อรถมาใหม่คันนี้โอ้ยซื้อมาตอนแรกเนี่ยถูสัล้างทุกวันเลยนะลักมากอ่า เสียงได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านอล้วรุ่นเดียวกันนี้หัดกันมันโอ้มันเหมือนรถเรานีว่มัน อ, อ, อะเนี่ยมันจะนึกถึงรถตนเองทีเลยเพราะฉะนั้นคนมีรถชอบดูรถคนอื่นชอบดูรถคนอื่นเนีเพราะฉะนั้นคนรักสิ่งไหนมันก็เอาใจสิ่งนั้นเวลาขับรถไปตกล้มตกอะไรก็ค่อยหยอดอ่ะพอมันเก่ามากก็เหยียบเต็มที่ไม่สนใจ แต่ใช <c oughs> ้ของคนอื่นไม่ค่อยระวังเท่าไหร่เราใช้ตัวเองเนี่ยระวังฉะนั้นเขาบอกทันใจตรงนี้เอาไหมแลว่าสร้างวันเดียวสร้างเสร็จแล้วเนี่ยช่วยเราเลยได้ไหมสร้างเสร็จแล้วช่วยเราเราได้ไหมช่วยในสิ่งที่เห็นไม่ต้องพูดถึงเรื่องของพิสดารนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอะไรที่มองไม่เห็นเวลาคุณแม่ทุกมาเนี่ย เวลาคุณแม่ทุกมาพระทันใจช่วยอะไรได้ช่วยได้ทันใจไหมช่วยได้ช่วยยังไงเวลาคุณแม่ลูกไม่ทําให้สบายใจเนี่ยลูกไม่ทําให้สบายใจพระท่านช่วยอะไรท่านพระที่สร้างพระทันใจมาอบรมลูกของเราได้ไห ม, มได้อืไปว่าต้องปฏิบัติอีก มากๆนะพระสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมีไว้ทําไมมีไว้เป็นอนุสาวรีย์เป็นไว้อนุสาวรีย์อาตมาไม่อาตมาไม่เถียงนะมีพระสร้างไว้นะ่ะก็ดีเหมือนกันมีวัดบาอาจามสร้างไว้ก็ดีเหมือนกันทำไมถึงบอกก็ดีเวลาเราขับรถผ่านเนี่ยยกมือใส่หัวทําให้เป็นมาดพระองค์เนี้ยวิ่งรถผ่านไปโอ้สร้างสวยงามเหลือเกินพาลูกพาหลานไปกลับอันนั้นก็เป็นพื้นฐานของชีวิตที่ การปลูกฝังในเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเราแก้ปัญหาเราได้จริงๆนี่พระทันใจเนี่ยมาช่วยไม่ได้พระพุทธลูก็มาช่วยไม่ได้พระที่ไหนจะช่วยได้หนึ่งพระสงฆ์พระสงฆ์งหมายถึงว่าพูดทิฏเทศได้สอนได้บอกได้คุณแม่ทุกแก่ลาบากใจใช่ไหมดูมานนะมันทุกข์เพราะอะไรดูหักสาเหตุมันทุกข์เพราะลูกใช่ไหมลูกไขรลูกคุณแม่ อ่ลูกคุณแม่คุณแม่อบรมดีหรื อ, อยังคุณแม่บอกเขาสอนเขายัางไรตื่นในเช้าลุกหนึ่งหงข้าหงป่านะตื่นในเช้าทําความสะอาดบ้านนะบอกเขาไหมฝึกเขามาไหมนานๆไม่เคยบอกเขาเลยจะให้เขามาทําเลยเนะี่ยมันบอกไม่ได้ถ้าไม่ปลูกอุเป็นแสงตั้งแต่เล็กรู้จักจหลอกใช้ลูกให้เขาปลูกนิสัยเข้ามาตั้งแต่เล็กเลยนะนี่แต่อย่าไปกวนมันปล่อยมันนอนฮะ แม่ละบากามากๆแล้วลูกให้เขาสบายบ้างก็พูดถึงความลบากตัวเองอแต่ก่อนแม่หาบน้ำมาให้พ่อให้แม่อาบก็คุยให้เขาท่ฟังทำไมนเมื่อไม่ปลูกฟังเขาแต่ก่อนแม่ต้องไปหักฟืนในปา่าไปเก็บผักโอ้ยทรมานหาบลูกข้างละคนทุกวันนี้เาระบบออตโตเมติก อ, อัตโนมัตนะิระบบทุกวันนี้ยุให้เถียลุกมือ ปุ่มกดเพื่อไงอยากจะกินข้าวใช่ไหมแก๊กอยากจะได้ไฟใช่ไหมแก๊กไมต้องไปตัดต้นยางหายางมาทํากระบองฮาน้ำมันมาใส่ตะเกียงฮะอะไรมันก็รอทุกวันเนี้ยไม่ต้องลําบากขนาดนะั้นทุกวันเนี้อยากจะทําอะไรยุกมือปุ่มกดหมดต่อไปขับรถไม่ต้องขับพร้มอะไรทนะั้งปุ่มกดตั้งแผนที่ไปไ ป, ไปในไปนตามเส้นทางมันจะไปของมันเองแนละ้วเขาวิจัยแล้วทุกวันเนี้ยมีแล้วนะไม่ใช่ไม่มี นะแต่มันแพงแล้วก็มันยังกัฒณาไม่ไม่ถึงเราเนะี่ยฉะนั้นยุคปุ่มกดแล้วยมคุณแม่จะไปใช้ลูกให้เหมือนเดิมเราไม่เป็นไม่ได้หรอกฉะนั้นต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กทํายังไงพระสิ่งเหล่านั้นมาช่วยคุณแม่ไม่ได้นะต้องพระสงฆ์ที่บอกได้นะลูกต้องอย่างนี้อย่างนี้นะเริ่มจากจะเรียมขั้นต้น แต่จะทำขั้นต้นไว้แว่าต้องเริ่มจากรู้จักบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะไปบอกว่าลูกให้ลูกบุญคุณลูกบุญคุณตัวเองเนี่ยลูกฟังไหมอาตมาไม่ฟังโอ้อยอย่ามาทวงบุญคุณมากนะว่าเลยนะะอย่ามาทวงว่าพ่อว่าแม่อย่ามาทวงบุญคุณถ้าพ่อแม่ทวงบุญคุณลูกลูกจะอึดอัดนะอึดอัดขัดเคืองแล้วก็ไม่เต็มใจทําด้วยทําอะไรก็ไม่เต็มใจหลายคนเป็นอย่างนั้นน่ะไม่รู้ว่าคนนั่งอยู่ตรงนี้เป็นหรือเปล่าก็ ให้คำตอบตัวเองก็แล้วกันไม่ต้องไม่ต้องตอบออกมาถ้ามีคนมาทวงบุญคุณพอใจไหมไม่พอใจรู้แล้วละ่ะเลือกทำเองอะไรต่างพวกนี้ยแต่เพื่อนใส่เลยแต่ถ้าพระถ้าเห็นพระมาเด็กเขาจะเชื่อในตัวแล้วก็จะพอบอกว่าบุญคุณพ่อแม่นะมันหนักหนาแค่ไหนแล้วก็เปรียบเทียบโอวนิทานถ้าใครที่ไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่เป็นเปรตเป็นผีเนะเด็กมันกลัวแนละ้วทีเนี้เห็น ไ, ไหม เด็กมันกลัวพอกลัวแล้วเป็นไงก็ทําตามพ่อแม่สั่งเองแล้วก็เชื่อพ่อแม่เองนะฉะนั้นพระที่จะสอนได้หนึ่งพระสงฆ์พระสงฆ์ ส, งสอนอะไรไม่ได้สอนให้ยมหมดทุกข์นะืพระสงฆนะ์เนี่ยไม่ได้สอนให้ยมหมดทุกข์เลยไม่ใช่คุณแม่อึดอัดขัดเคียงใจใช่ไหมต้องเอาทุกข์ออกจากใจนะมันอึดอัดตรงไห น, นตรงอ ก, อกใช่ไหมเออให้ปล่อยวางนะคุณแม่ปล่อยได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้การจะปล่อยวางมันต้องตัวเราปล่อยเองต้องรู้จกักสาภาว่าขบอืด อ, อัดขัดเคืองใจความทุกข์นี่ยไม่ใช่พระทุกข์นะขบอืด อ, อัดขัดเคืองใจน่ยรู้เหมือนกันหมดแต่ว่าพระรู้ไหมไม่รู้ว่าเราอืด อ, อัดแค่ไหนอืด อ, อัดยังไงเรารู้เองเราต้องรู้จักคลายเองคลายอารมณ์ออกจากตัวเองว่ามันอืออดอัดเคืมันหนัก อ, อกหนักใจมันครับแค้นใจอันนี้ใช้สติในเบื้องต้นมาคลายนะ แต่ปัญญาตัวที่เข้าใจก็คือ Susan, ไม่ถ้าปัญญามันเกิดปัญญาแล้วมันจะรู้จักเลือกเอาอารมณ์ที่จะมาเก็บมากักถ้ามีปัญญาแล้วมันจะไม่เอาความทุกข์มาขังไว้ในใจตัวเองโอ้อันนี้มันทุกข์นี่หว่ามันก็เรามันก็อาหารที่เราภายนอกลราเรามีปัญญารู้จักเลือกกินอาหารนี้ทําให้เกิดโรคนั้นโรคนี้อาหารนี้ทําให้อ่าเป็นอันตรายต่อร่างกายอาหารนี่เป็นโรคร่างกายเราต้องต้องการอาหารตัวนี้ตัวนี้ มันมีตาเห็นมันสามารถเลือกอาหารที่ถูกกับตัวเองได้มันไม่งงเอาบุหรี่เข้าไปไม่ใช่ร่างกายตัวเองมันไม่ง่เอาสิ่งอื่นเข้าไปไม่งงเอาเหล้าเข้าไปถ้าไม่มีปัญญาแล้วเนอะฉะนั้นเขาบอกว่าพระหมอครูรู้ดีบุหรี่เล้านําโรคเข้าร่างกายตายผ่อนสงเหตุฉะนั้นทำลืมดื่มสูบลงหรือว่าปลงแล้วร่างกายตายช่างมันที่กิงไม่หรอกที่กิงหลวงพ่อเลิกซะายาสูบเลยนะบอก คุณพ่อเลิกสียาตาออดเลิกสักาแฟนี่ยไม่ได้หรวงพ่ออาจารย์มันมันมามันกินมาตั้งนานแล้วให้มันตายพร้อมกันซะวางกันแต่อีกทีแต่เวลาป่วยมาเป็นไงต้องไปหาหมอหมอนัดเอาอีกแล้วทีนี้ยกลัวตายเหมือนกันนะถ้าไม่เลิกแต่กลัวตายไอพวกกินเหล้าเหมือนกันนะโอ้ลงทุนมาเยอะแล้วกับบรีดวงตาเลิกได้ไม่บรีลงทุนมาเยอะหลวพ่ออาจารย์เป็นแสนแล้วอยาให้เลิกเลยวาง พอป่วยมาเป็นไงสงัสง갑สัง갑ไปหาหมอกลัวตายอย่างเงี้ยไม่มีปัญญาในการเลือกเอาอาหารภายนอกเข้ามาอาหารภายนอกเป็นอาหารที่เราเข้ามาสู่ร่างกายอาหารในการกินแต่อาหารภายในที่มันละเอียดอาหารทางตาอาหารทางหูอาหารทางจมูกอาหารทางเลือดทางการทางใจเนะี่ยเราเลือกมาแต่ละวันแต่ละวันเรากินไม่น้อยนะกินความพอใจกินความไม่พอใจนะ กินอาหารเข้ามาสิ่งหน่งนี่มันมาปรุงคอใจไม่พอใจ ม, มาปรุงแค่นหนึ่งนะแล้วเป็นไงทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักถ่ายอาหารทางอารมณ์ถ้าเรากินเข้ามามากถ้าไม่รู้ถ่ายออกเป็นไงมันเน่าไหมมันเน่ามันเหม็นอาหารคอไม่พอใจนี่เข้ามาสู่ร่างกายแล้วถ่ายออกไปเป็นไงพูดก็เหม็นเป็นคูตะพานีพูดแล้วเหม็น คตากวิ่งขี้ภายในพูดพูดภาษาอุจจาระหาสำนวนไม่ได้พูดแล้วมันรู้สึกว่าไม่ใช่ภาษาคนอย่างเงี้ยเวลาไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่บ้านใครสวนสัตว์เต็มบ้านเลยไหมพ่อแม่มาด่ากันทีไรอย่างเงี้ยวิ่งผ่านเลยเต็มบ้านสวนสัตส ว, ตวต์ไม่ใช่บ้านคนเป็นบ้านสัตว์พอเป็นบ้านสัตว์แล้วเป็นไงมันอยู่ด้วยกันมีสความสุขไหมไม่มีความสุขมันมีแต่ตัวเงินตัวทองเยอะอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไร นั้นอารมณ์ที่เป็นภายในเนี่ยอารมณ์ตัวเนี้ยเราต้องรู้จักถ่ายมัง้งความดีก็ถ่ายออกนะความไม่พอใจเอะไรเช่นก็จะรู้ถ่ายออกถ่ายออกพระให้เราถ่ายออกได้ไหมไม่ได้พระเขาบอกเลยพระเจ้าตถาคตตถาคตแตผ่ผู้บอกทางเขาเองนะแม้จะจับชายจีวรเราอยู่ก็ไม่เห็นเราทำไมเห็นทำต้องปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติมัาทัง้งหมดปฏิบัติมันก็มีหลายวิธีเนี่ยแต่วิธีไหนที่มัน ง่ายมันรัดและเหมาะสมกับตัวเองและมีกิจยารในมิี่ดีเราควรที่จะศึกษาควรที่จะปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งใจให้เต็มที่อย่าไม่เป็นไรโซลาเซียวหมดพูดน้ำไหลไฟดับเลยใช่ไหมตัวนี้ ฮะไป ไ, ไเปเลยไปเลยเพราะฉะนั้นสง <c oughs> สัยสัญญาณบอกพอแล้วหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ยน ะ, ะสรุปนิดนึงว่าสําหรับการปฏิบัตินั้นพระก็ช่วยเราไม่ได้หลวงพ่อก็พยายามเคี่ยวเขินเค่ไหนก็ตามถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เอาไม่กินแล้วมันไม่ได้ประสาทสารก็บอกว่า หัวข้อยบกินหญ้าแสนสีโคบมัอเขาหักหมูบกินห่ำแสนสีตีกระดังเบอร์ยมกุ้งเข้าใจไ้ยเนี่ยหัวข้อยไม่กินหญ้าเนี่ยจะไปข่มมันเขาให้มันกินหญ้ามันเขามันหักเฉยเฉยมันฝืนเผื่ๆมันสะบัดเราตายด้วยซ้ำไปเออตอนแปรเรารู้เรื่องยังเออธรรมดาเราแปรไทยเป็นไทยกัน เนี่ยคนไทยเสียบคนไทยเสียบเปียกคนลาวพระตรงนี้เลยนะพูดได้ภาษาเดียวฉะนั้นงูเข้ไม่กินหญ้าแสนสีคมเขาหักหมูไม่กินห่อมเสนสตีกระดังเวอร์ัวควายไม่กินหญ้าเนี่ยไปจะข่มยังไงมันก็ไม่กินมันจะฝแล้วด้วยซ้ําเขาก็หักทิ้งเฉยหมูไม่กินลำเนี่ยบังคับให้มันกินได้ไหมจะตียังไงตีจนดังมันดังเวอร์ไปถึงเห็นตากตัหมูกเอง นั่นแหละก็เรียกว่าภาษาเราเราดังเวอร์ตากเวอร์ น, นะนะแสนจะตียังไงก็ตากมันเวอร์เหมื อ, เ อ, เอเนเดิมนะเะฉะนั้นลูกหลานเขาไม่เชื่อบางครั้งเนี่ยต้องใช้กลุเมเ็ดเยอะพวกเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่มีสัทธามาวัดมาอะไรเนี่ยหลวงพ่อ จ, จะเขี่ยวเขียนแค่ไหนก็ตามนะคือแม้แต่พระบวชเข้ามาแล้วก็ตามเนะ่ะมาจำมันษาด้วยกันมาไปด้วยกันเนี่ย หลวงพ่อจะหวังดีเขี่ยวเข็นปาถนายัางไงเอาปฏิบัตินะต้องอย่างนั้นกินนี่คุมบังคับเก็บอารมณ์ยังไงถ้ามันไม่กินแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยยิ่งบังคับก็เหมือนกับยิ่งแตกมันก็บเราบีบอะไรทุกอย่างนะยิ่งบังคับเนะ่ยมันยิ่งแตกแต่ถ้าพอใจแล้วไม่ต้องบอกอยากทะยมเห็นไหมอาตมาเห็นโยมหลายคนไม่ต้องหลวงพ่อบอกเอาถึงเวลาปฏิบัติข้อะคังมาปฏิบัตินะ บางคนเดิ น, นก้มรอแล้วนี่คือผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็มีฉันทะมีความมีศรัทธาในการปฏิบัติมีศรัทธาในคำสอนแล้วก็มีฉันทะความพอใจในการปฏิบัติไม่ต้องมีเวลาพักพอถึงเวลาปึ๊บฉันเข้าเสร็จทานเข้าเสร็จก็มาปฏิบัติการปฏิบัติคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดใช่ไหมคุณแม่การปฏิบัติทำมการย่อยอาหารที่ดีที่สุด คนที่บอกโอ้ทานข้าวแล้วต้องไปนอนซะ ก, ก่อนสักตื่นหนึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่การพักผ่อนมันไม่ใช่การย่อยอาหารที่ดีที่สุดมันเป็นการทําให้เป็นโรคกระเพาะเร็วขึ้นทําเป็นโรคภัยไข้เก็บมากขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอายิสง ข, ของการเดินโยกมลายิสง์การปฏิบัติธรรมเนี่ยพูดถึงการเดินโยกมลายริสมาประยุกต์ในการนี้ก็คือการปฏิบัติที่มันเคลื่อนไหวเนะี่ยเป็นการช่วยให้เกิดพลังงานเาผาผลาญอาหารได้เร็วขึ้นใช่ไหมคุณแม่ ที่เป็นหมอนะ่าจะรู้ดีนะเออเพราะว่าการออกกําลังกายการเดินแต่อย่าไปทําแรงนะอาจมาทานข้าวเสร็จไปทํางานเลยเนะี่ยเวลามันเริ่มออกมาแบบออกมาที่เดิมมันมันยังไม่ย่อยเลยนะเออแตงโมจะออกมาเป็นชิ้นมันเดิมเลยเวลาทํางานแล้วมันทํางานหนักแมันมันยังไม่ย่อยแต่ทําพอดีพอดีโดยเฉพาะเดินจงกรมเนี่ยพอดีเลยแหละพผู้ที่ชอบว่าอานิสุสงการเดินจงกรมเนะี่ย โรคภัยใค้เก็บน้อยช่วยย่อยอาหารอาพาธน้อยย่อยอาหารเดินทางได้ไกลสมาธิตั้งมั่นได้นานอะไรพวกนี้ฉะนั้นหนึ่งคือช่วยย่อยอาหารนี่เราปฏิบัติทำเดนินโรมทานข้าวเราเดนินโรมไม่ต้องเป็นอนเดนินไม่จ้อเป็นนอนนอนย่อยอาหารไ ม, ไม่ใช่ฉะนั้นคนที่มีฉันท่าเนี่ยเราจะมาเชื่อว่าทุกคนหรือไม่ก็เกือบทุกคนที่มาตรงนี้คือตั้งใจออกจากบ้านมาแล้วตั้งใจมาปฏิบัติเวลาเราน้อย ก่อเราจะปลีกเวลาให้กับตนเองเนี่ยมันยากนะเวลาที่เป็นของคนอื่นมันเยอะมันเยอะชีวิตทํามาทั้งหมดเพราะคนอื่นนะเรียนหนังสือก็เพราะคนอื่นเพราะพ่อแม่เพราะครอบครัวหวังไปข้างหน้าเรียนจบแล้วต้องทํางานเพราะครอบครัวเพื่อลูกเพื่อพ่อพ่อแม่นะแล้วก็ทําทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างเราเพื่อคนอื่นหมดเราแคร์คนอื่นมีคนอื่นเป็นบริบทของชีวิตเรา แต่มาทําตรงนี้แหละคนอื่นทําแทนเราไม่ได้เราทําแทนคนอื่นไม่ได้มีสติก็เรามีความสูงก็เกิดขึ้นกับเราฟังเสียงก็เราฟังเองนะฉะนั้นมีเวลาช่วงเนี้ยขอให้เราธรรมาอยากให้ตั้งใจจริงนะแต่ไม่ต้องอยากรู้อะไรหรอกขอบอกว่าไม่ต้องอยากรู้อะไรทําทําเล่นๆแต่เอาจริงๆ ท, ทําทานเข้าเสร็จก็ทํานะถึงเวลานอนก็นอ น, น, อนกินนอนเมื่อลหรก็ทําอยู่นะั่นแหละ ทำเล่นๆแต่เอาจริงขี้เกียจก็ทําขยันก็ทําอำมาฟังว่าจันบอขี้เกียจก็ทําขยันก็ทำเพราะว่าอารมณ์า ม, มัน ม, มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเดินไปเดินมาเดี๋ยวขี้เกียจอะทุกคนะไม่รู้จะทำทำไมขี้เกียจเดีก็นั่งเดี๋ยวก็นั่งดูนู้นดูไปบนยอดเขาโล่ง อ, อกนะบนยอดเขานั่งดูไปเวลาขี้เกียจ ท, ทําไงก็ทําจําคํานี้ไปเลยเวลาขยันยังไง ขยันก็ทำพอดีอย่าไปทันอย่าไปทำเฉพาะเวลาขยันก็ทําพอดีนะแต่พอเราทําตัวนี้รูปแบบเราจับสติได้ชัดเจนแล้วเนี่ยเวลาเราไปทํางานทํากันที่ไหนมันจะสบายตรงที่เราจิตใจเราไม่ต้องไปผูกกับคนอื่นก็ได้จิตใจเราก็ทํากับจิตใจของเราทํากับการกับงา น, น, นเราทําอะไรก็้แต่ <c oughs> <c oughs> นะฉะนั้นเราให้ตั้งใจ ฉะนั้นจะมาพ่องเยอะเอาคิดนีก่อนเราจะรักคต็ตมกันวันไหนก็ว่าจะพูดน้น้อยนะยฟังไม่จะพูดทีละสิบยิบนาทีแต่ละวันก็เกือบชั่วโมงแล น, นะมันมีอะไรที่เราต้องศึกษาเยอะแล้วก็ทำเอาจริงๆจะทำเล่นศึกษาชีวิตทำแล้วคนอื่นไม่ได้เราได้จากนั้นเราก็จะเป็นตัวของตัวเองเป็นไทยที่แท้จริงไม่ใช่เป็นทาสของอารมณ์ไม่ใช่เป็นทาสขอ ง, อของสังคม ในขณะนั้นาก็ขออนุมโมทนาในกุศลกิจธาที่เราได้ตั้งใจขอให้เป็นผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมถึงแม้ว่าความปรารถนาพร น, นี้จะเป็นไปไม่ได้แต่ก็ปรารถนาให้โยมทุกคนตั้งใจแล้วพรสี่ประการทั้งความเข้าใจในธรรมก็จะเกิดขึ้นกับโยมเองให้ประสบความสุข ท, ทุกคนด้วยเถอด